ว่าด้วยอาธิตตะบัญญายอาธิตตะบัญญายและธรรมบัญญายเป็นอย่างไรคือบุคคลแทงจากขุนสีอินรีคือจักขุหรือตาด้วยเหลาเหล็ดที่ร้อนไฟติดลุกชนโชดช่วงยังประเสรดกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะ ในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไม่ประเสริฐเลยหมายถึงการแยกถือว่ามืองามเท้างามเป็นต้นนั้นวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทากาลกิริยาคือตายในสมัยนั้นเป็นไปได้ ที่บุคคล น, นั้นจะพึงถึงกติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แหละจึงกล่าวอย่างนี้โดยนัยเดียวกันบุคคลทะลวงโสตินซีอินซีคือหูด้วยขอเหล็กที่คมขวานคาณินซีอินซีคือจมูกด้วยมีดตัดเล็บที่คม เฉือนชิวหินซีอินซีคือลิน้นด้วยมิตรกรที่คมบุคคลแทงกายอินซีอินซีคือกายนี้ด้วยหอกที่คมไฟติดลุกโชนโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยันชนะคือการแยกถือในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิน้น ในผลพระที่พึงรู้แจ้งทางกายไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลกระทําการและกิริยาในสมัยนั้นจะพึงถึงคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัติรชานเราเห็นโทษนี้ จึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความหลับยังประเสริฐกว่าแต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตกล่าวว่าไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิตกล่าวว่าเป็นความเคลาสำหรับผู้มีชีวิตส่วนบุคคลตกอยู่ในอำนาจของวิตกเช่นใดแล้ว ถึงทำลายสงให้แตกกันก็ไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยเราเห็นโทษนี้แหลว่าเป็นมันสำหรับผู้มีชีวิตจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับยอมเห็นดังนี้ว่าจากขุนซีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กร้อนที่ไฟติดลูกโชนโชช่วง ข้อนี้ยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าจะขู่ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจะขู่วิญญาณจะขู่สัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจะขู่สัมผัสเป็นปัจจัยล้วนไม่เที่ยงด้วยประการชนนี้โดยนัยยะเดียวกันโสตินีที่บุคคลทะลวงด้วยขอเหล็กที่คม คาเนินซีที่บุคคลคว้านด้วยมีดตัดเล็บที่คมชิวหินรีย์ที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนที่คมกายินรีย์ที่บุคคลแทงด้วยเหล้าเหล็กที่คมไปติดลูกโชนโช่อดช่วงทั้งหมดนั้นยกไว้ก่อนเอาเถอะเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าโสตะคือหูไม่เที่ยงสัทธาคือเสียงไม่เที่ยงานะคือจมูก คันธะคือกลิ่นชิวหาคือลิ้นรสคือรสกายและผลทพะความถูกต้องสัมผัสทางกายวิญญาณสัมผัสเมทนาที่เกิดจากสัมผัสของแต่ลับประการนั้นสิ่งทั้งปวงนี้ก็ไม่เที่ยงด้วยประการชนนี้ในส่วนของความหลับยกไว้ก่อนเอาเถิด เราจะใส่ใจข้อนี้ว่ามโนก็ไม่เที่ยงธรรมอารมณ์ก็ไม่เที่ยงมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการเช่นนี้อริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกหนัด ย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายนี้แลคืออธิตตบรรยายและธรรมบรรยายชะนิแลว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้าภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งสองมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏ เมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การคูเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องมีอยู่ความหิวและความกระหายก็ปรากฏข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เมื่อจักขู่คือตามีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยและโดยนัยเดียวกันเมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อขานามีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนโคือใจมีอยู่สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมือทั้งสองไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งสองไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับ ก็ไม่ปรากฏข้อนี้ชันใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อจักขูไม่มีสุขและทุกข์ในภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์ภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอาสีวิสวัติหมดว่าด้วยอสรพิษ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทรงรับสั่งเรียกภิกษุมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอสารพิษสี่จำพวกซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าถ้าบุรุษอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาคนทั้งหลายพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ อารพิษสี่จำพวกนี้ซึ่งมีฤทธิเดชมากมีพิษกล้าท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอารพิษตัวใดตัวหนึ่งก็ตามโกรธเวลานั้นท่านก็จะถึงความตายหรือทุกปางตายพ่อมหาจำเริญกิจใ ด, ดที่ท่านควรทำ ท่านจงทํากิจนั้นเถอะเมื่อได้ฟังดังนั้นบูรุษนั้นจึงเกิดความกลัวอสรพิษทั้งสี่นั้นได้หนีไปทางใดทางหนึ่งคนทั้งหลายก็บอกกับเขาอย่างนี้ว่านักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกติดตามมาข้างหลังท่านโดยหมายใจว่าพบท่านที่ใดก็จะฆ่าท่านในที่นั้นแหลกิจใ ด, ดที่ท่านควรทาท่านจงทาสิ่งนั้นเถอ บุรุษนั้นกลัวอสรพิษสี่จำพวกนั้นและกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งคนทั้งหลายก็บอกกับเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญนักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่หกนี้เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่านโดยหมายใจว่าพบท่านในที่ใดก็จะตัดศรีรษะท่านในที่นั้นแหล กิจใ ด, ดที่ท่านควรทาท่านจงทากิจนั้นเถอะขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษสี่จำพวกนั้นกลัวนักฆ่าห้าจำพวกและกลัวนักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่หกจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งเขาพบหมู่บ้านร้างจึงเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าหลังหนึ่งลูกคลมภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งคนทั้งหลายบอกเขาว่า พ่อมหาจําริญพวกโจรผู้ฆ่าชาวบ้านพึ่งเข้ามาสู่หมู่บ้านร้างนี้เดี๋ยวนี้เองกิจใ ด, ดที่ท่านควรทําท่านจงทํากิจนั้นเถอะขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษกลัวนักฆ่ากลัวนักฆ่าผู้เป็นสายลับและกลัวโจรผู้ฆ่าชาวบ้านจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งเขาพบห่วงน้ําใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้น่าระแวง มีภัยจำเพาะหน้าแต่ฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยจำเพาะหน้าเขาไม่มีเรือหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นบุรุษนั้นเห็นดังนั้นจึงคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรรวบรวมหญ้าไม้กิ่งและใบมาผูกเป็นแพรอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพยายามไปให้ถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดี บุรุษนั้นทำตามนั้นแล้วก็ไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีเป็นผู้ลอยบาปดำรงอยู่บนบกภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เรายกมาเพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจมแจ้งในอุปมานั้นมีคำอธิบายดังนี้ว่าคำว่าอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวก นั้นเป็นชื่อของมหาปูตรูปสี่คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธ า, าตุธาต้น้ําเตโชธาตุธาตุไฟและวาโยธาตุธาตุลมคําว่านักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกเป็นชื่อของอุ ป, ปาทานขันห้าได้แก่รู ป, ปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขัน สังขารูปาทานขันและวิญญาณูปาทานขันคำว่านักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่หกซึ่งเงื้อดาบติดตามไปนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีคำว่าหมู่บ้านร้างนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ภิกษุทั้งหลายถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายในหกประการนั้นทางตาก็จะปรากฏเป็นของว่างทั้งนั้นปรากฏเป็นของเปล่าทั้งนั้นปรากฏเป็นของศูนย์ทั้งนั้นและโดยในยะเดียวกันถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายในหกประการนั้นทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายและทางใจก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ทั้งนั้นคำว่าพวกโจรผู้ค่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกประการคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมภิกษุนทั้งหลายตาย่อมเดือดร้อน เพราะรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจหูจมูกลิ้นกายและใจก็ยอมเดือดร้อนเพราะเสียงกลิ่นรสผัส พ, พะและธรรมรมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจคําว่าห้วงน้ําใหญ่นั้นเป็นชื่อของโอคะทั้งสี่คือกาโมคะโอค ะ, ะหรือห้วงน้ําคือกามพะโวคะ โอคาหรือห่วงน้ําคือภพทิทโขคะโอคะหรือห่วงน้ําคือทิฐิอวิโขคะโอคะคืออวิชาคําว่าฝั่งนี้น่าระแวงมีภัยจำเพาะหน้านั้นเป็นชื่อของสัต ก, กายะคือกายของตนคําว่าฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยจำเพาะหน้า นั้นเป็นชื่อของนิพพานคำว่าแพรนั้นเป็นชื่อของอาริยามากมีองแปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจนถึงสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบคำว่าใช้มือและเท้าพยายามไปนั้นเป็นชื่อของวิริยารมภะคือการปรารบความเพียร คำว่าเป็นผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกนั้นเป็นชื่อของพระอระหันต์อุปมาด้วยรถภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการมีสุขสมณัตมากอยู่ในปัจจุบันและยอมปรารบเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ธรรมมาสามประการอะไรบ้างคือภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารและประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่เนืองเนืองภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิห น, นียนี้เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโพธิภพทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นั้นๆซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมะที่เป็นบาอคุสลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์นั้นๆถึงความสำรวมในอินทรีย์นั้นๆ นายสารทีฝึกม้าผู้ฉลาดเป็นอาจารย์ฝึกมา้าขึ้นสู่รถมา้าซึ่งมีประตักเตรียมพร้อไมไว้แล้วดึงเชือกด้วยมือซ้ายถือประตักด้วยมือขวาขับไปข้างหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ในถนนใหญ่สีแยกซึ่งมีพื้นเรียบเสมอตามต้องการแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันยอมศึกษาเพื่อรักษา ยอมศึกษาเพื่อสํารวมยอมศึกษาเพื่อฝึกฝนยอมศึกษาเพื่อระ ง, งับอินทรีย์หกประการนี้ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายเล้วชันอาหาร ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับเพื่อตกแต่งคือเพื่อให้ร่างกายดูดีแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนคือความหิวเพื่ออนุเคราะห์ปรมจ ร, ร์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะา ก, กำจัดเวทนาเก่าและจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดาเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษ และความอยู่พาสุขจะมีแก่เราบุรุษพึงทาแผลก็เพียงเพื่อต้องการให้หายหรือบุรุษพึงยอดเพลารถก็เพียงเพื่อต้องการขนสิ่งของไปได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพราะความอยากไม่ใช่เพื่อความอร่อย แต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เป็นต้นนั้นภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ เ, เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้ชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางคือนิวรห้าประการ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 ด้วยการนั่งตลอดปัดชิมมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ เ, เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการ น, นี้แลชื่อว่ามีสุขสมณะมากอยู่ในปัจจุบันและชื่อว่าปรารบเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ว่าด้วยอุปมาด้วยเต่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเวลายเย็นเที่ยวหากินที่ริมฝั่งแม่น้ำแม้สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเวลานั้นก็เที่ยวหากินอยู่เช่นกันเต่าเห็นสุนักจิ้งจอกเที่ยวหากินแต่ไกลก็หดหัวและขาเข้ากระดองของตนไม่เคลื่อนไหวนิ่งอยู่ ฝ่ายสุนักจิ้งจอกก็เห็นเต่ามาแต่ไกลเหมือนกันจึงเข้าไปหาแล้วยืนอยู่ใกล้ด้วยคิดว่าเมื่อใดเ ต, าต่าตัวนี้โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นเราจะงับมันฟาดแล้วกินซะในที่นั้นเมื่อใดเต่าไม่โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นสุนักจิ้งจอกก็เบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสสุดท้ายก็เดินจากเต่าไป ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มารผู้มีบาปเข้าใกล้เธอทั้งหลายสม่ำเสมอด้วยคิดว่าบางทีเราจะพึงได้โอกาสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจของภิกษุเหล่านี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติ เพื่อสํารวมจักขคุณสีเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมะที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนนต์ครอบงาได้จงรักษาจาักขคุณสีถึงความสํารวมในจักขคุณสีและโดยในยะเดียวกันเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นทุกต้องผลทพะทางกาย รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสัารวมอินทรีย์นั้นๆเมื่อใดเธอทั้งหลายจะคุ้งครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เมื่อนั้นแม้มารผู้มีบาปก็จะเบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสหลีกจากเธอทั้งหลายไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกเดินจากเตาไปฉะนั้น ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นในมโนวิตกไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดับกิเลสแล้วไม่ว่าร้ายใครเหมือนเต่าหดหัวและขาวไว้ในกระดองของตนฉะนั้นอุปมาด้วยขอนไม้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําคงคาเขตกรุงโกสัมพีได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ใหญ่ลอยตามกระแสมแม่น้ํามาจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายให้มองดูขอนไม้นั้นแล้วตรัสว่าถ้าขอนไม้จะไม่ลอยเข้ามาใกล้ฝั่งนี้ไม่ลอยเข้าไปใกล้ฝั่งโน้นไม่จมกลางแม่น้ําไม่เกยตื้นไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์นําไป ไม่ถูกเกลี่ยน้ำวนดูดไว้ไม่ผูกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้ขอนไม้นั้นาาก็จะลอยไปสู่มหาสมุทรได้ไหลไปสู่มหาสมุทรได้เลื่อนไปสู่มหาสมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสะแม่น้ำคงคาลุ่มไปสู่สมุดลาดไปสู่สมุดไหลไปสู่สมุด ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้เธอทั้งหลายจะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าไปใกล้ฝั่งโน้นไม่จมในถ้ากลางไม่เกยตื้นไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอามนุษย์เข้าสิงไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ไม่เป็นผู้เน่าภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จะน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัมมาทิฏฐิย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุรูปหนึ่งกุนถามว่าอะไรชื่อว่าฝั่งนี้อะไรชื่อว่าฝั่งโน้นอะไรชื่อว่าการจมในถ้งกลางการเกยตื้นถูกมนุษย์จับ ถูกอมนุษย์เข้าสิงถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ความเน่าภายในเป็นอย่างไรทรงตอบว่าคําว่าฝั่งนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหประการคําว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกประการการจมในท่้ำกลางเป็นชื่อของนันทิราคะคือความกําหนัดด้วยอํานาจความยินดี การเกิดตื่นเป็นชื่อของมานะหรือการถือตัวการถูกมนุษย์จับไว้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่คลุกคลีเพลิดเพลิเพลนเศร้าโศกกับพวกคฤหัดเมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อเขามีกิจที่ควรทําเกิดขึ้นก็ช่วยทํากิจนั้นด้วยตนเองการถูกอมนุษย์เข้าสิง คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ประพฤติปรมจารย์ปรารถนาหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งปรารถนาว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยปรมจารย์ น, นี้เราจะเป็นเทวดาหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งการถูกเกลียวน้ำวนดูดไปเป็นชื่อของกามคุณห้าประการความเน่าใน คือภิกษุบางรูปในธรรมวิไนน์นี้เป็นคนทุศีลมีธรรมะเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาณว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรมจารีแต่ปฏิญญาณว่าเป็นพรมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะณนะที่นั้น ในนันทโคบาลยืนอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ฟังพระธรรมนั้นกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้จักไม่เข้าไปใกล้ฝั่งโน้นจักไม่จมในถ้ำกลางจักไม่เกยตื้นจักไม่ถูกมนุษย์จับไว้จักไม่ถูกอมนุษย์เข้าสิงจักไม่ถูกเกลียวน้าวนดูดไว้จักไม่เป็นผู้เน่าภายใน แล้วกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นต่อมาพระนันทกอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทประพฤติปรมจันทร์ที่สุดจึงได้เป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอระหันต์ทั้งหลายอาวัต ส, สุตตปาริยายาสูตร ว่าด้วยอวสุตตะบรรยายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโกรทารามเขตกรุงกบิลพั์แควนสักกะสมัยนั้นเจ้าศักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพั์รับสั่งให้สร้างท้องพระโรงขึ้นใหม่เสร็จได้ไม่นานจึงกราบทูล น, นิมนต์พระผู้มีพระภาคให้เสด็จไปท้องพระโรงนั้น ข้อนี้คือปรารถนาให้เป็นมงคลหลังจากสร้างเสร็จใหม่ๆพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์เจ้าสักยะเหล่านั้นด้วยการเสด็จไปทรงแสดงธรรมมีกถาแด่เจ้าสักยะจนราตรีล่วงไปแล้วเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายนั้นเสด็จจากไปไม่นานทรงมีรับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคคลานะให้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแทนพระองค์ ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้แสดงเรื่องอาวาสุตตบรรยายและอนนาวาสุตตบรรยายแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าผู้เมียอยู่ทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจตวิมุตและปัญญาวิมุตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอและโดยในยะเดียวกันฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดผะทางกาย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 ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเป็นต้นถ้าแม้มานเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์ถ้าแม้มานเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางใจ มานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์เรือนที่สร้างด้วยไม้อ้อหรือเรือนที่สร้างด้วยหญ้าแห้งกรอบมีอายุสามถึงสี่ปีถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออกไฟก็พึงได้ช่องได้เชือ้อถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือทางทิศใต้ ทางทิศเบื้องบนหรือทางทิศเบื้องต่าไม่ว่าทางทิศไหนๆก็ตามไฟก็พึงได้ช่องได้เชื้อแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทําแม้มานเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์และโดยในยะเดียวกันทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ มานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์รูปครอบงามภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ได้ภิกษุหาครอบงามรูปได้ไม่เสียงครอบงามภิกษุได้ภิกษุหาครอบงามเสียงได้ไหมกลิ่นรสถพระและธรรมอารมณ์ครอบงามภิกษุได้ภิกษุหาครอบงามสิ่งเหล่านั้นได้ไหม ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถูกรอบงำคือถูกรูปเป็นต้นนั้นครอบงำแต่ครอบงำรูปเสียงกลิ่นรสผลพระและธรรมอารมณ์นั้นไม่ได้ธรรมะที่เป็นบาปอากุศลอันเป็นเหตุให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไป ครอบงามเถอแล้วภิสษุเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้แลส่วนภิสษุผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างไรข้อนี้คือโดยนัยะตรงกันข้ามกันคือพิสษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นแลไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารัก เป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอปปมาณจิตอยู่และรู้ชัดเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ชุ่มโดยกิเลสในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้น ถ้าแม้มานเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามานก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์ถ้าแม้มานเข้าไปหาภิกษุนั้นโดยที่สุดคือทางใจมานก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์เรือนยอดหรือศาลาที่พอกดินเหนียวนามีเครื่องฉาบทาเปียก ถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศ ใ, ใดๆก็ตามไฟก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เชื้อแม้สันใดข้อนี้ก็ชันนั้นเหมือนกันถ้าแม้มานเข้าไปหาภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตาทางหูเป็นต้นมานก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์ ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ครอบงำรูปได้รูปครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้ครอบงำเสียงกลิ่นรสพธพะและธรรมารมได้เสียงจนถึงธรรมารมนั้นครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้ภิกษุนั้นไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสพธพะและธํรมารมครอบงำ เธอครอบงามธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นอันเป็นเหตุให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้แล่ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้เสด็จลุกขึ้นรับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคลานะมาตรัสชมว่าดีแล้วโมคลานะดีนักที่เธอเด็กหล่าอาวาสุตตบรรยายและอนาวาสุตตบรรยายแก่ภิกษุทั้งหลายท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวเวยากรณภาสิทนี้แล้วพระศัสดาทรงพอพระทยัยภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิท ของท่านพระมาหาโมคลานะดังนี้แลทุกขธรรมสูตรว่าด้วยทุกขธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงทุกขธรรมทั้งปวงข้อนี้คือขันห้า ที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับแห่งทุกข์กระททั้งปวงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเธอย่อมเห็นกามโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใกล้ความยื้อใหญ่ด้วยอำนาจความใกล้ความสยบด้วยอำนาจความใกล้ ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใกล้ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องทั้งตามรู้ธรรมะเครื่องประพฤติและธรรมะเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมะที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัตจะไม่ครอบงำภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกกรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรคือรู้ชัดว่า อย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปรู้ชัดว่าอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดความดับแห่งสิ่งเหล่านั้นภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกกรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แหล ภิกษุเห็นกามโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจความเยื่อใยความสยบความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใกล้ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องเป็นอย่างไรคือหลุมทานเพลิงลึกกว่าช่วงบัวรุดเต็มด้วยทานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันขณะนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกเดินมา มีบุรุษสองคนที่แข็งแรงจับแขนเข้ากันละข้างลากเข้าหาหลุมทานเพลิงเขาโอนเอ็งกายไปข้างน้นข้างนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเราตกหลุมทานเพลิงนี้ก็จะถึงความตายหรือทุกปางตายแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นกามซึ่งเปรียบด้วยหลุมทานเพลิง โดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจความเยื่อใยความสงบความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใกล้ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องพิสุรู้ธรรมะเครื่องประพฤติและธรรมะเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมะที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมานัตจะไม่ครอบงำเป็นอย่างไร คือบุรุษเข้าไปสู่ป่าที่มีน้ำมากข้างหน้าของเขาก็มีน้ำข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างข้างบนก็มีน้ำเขามีสติก้าวไปมีสติถอยกลับด้วยคิดว่าน้ำอย่าแทงเราแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวรูปที่น่ารักน่า ย, ยินดีในโลกว่าเป็นน้ำในอริยวินัย ภิกษุรู้อย่างนี้แล้วพึงรู้จักความไม่สํารวมและความสํารวมความสํารวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตจิตอยู่และไม่รู้จักเจตโตวิมุตตและปัญญาวิมุตต ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอและโดยในยะเดียวกันได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผวดตภภับพะทางกายและที่สุดรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมที่ไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายะคตาสติมีปริจตจิตอยู่ไม่รู้ชัดเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแก่เธอความไม่สํารวมเป็นอย่างนี้แลความสํารวมเป็นอย่างไรคือโดยในยะตรงข้ามกันภิกษุในธรรมวิไนนี้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 ถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้ธรรมะที่เป็นบาปอากุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแกสังโยชนย่อมเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมสติในการบางครั้งบางคราวสติเกิดขึ้นช้าขณะนั้นเธอย่อมละบรรเทาธรรมะที่เป็นบาปอากุศลนั้นทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกพลันทีเดียวบุรุษ พึงให้หยาดน้ำสองสามหยดตกลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าขณะนั้นหยาดน้ำพึงระเหยเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้ธรรมะที่เป็นบาปอากุศลมีความดมฤทธิสร้านไปเกื้อกูลแก่สังโยชนยิยมเกิดขึ้น เพราะความหลงลืมสติในการบางกราวสติเกิดขึ้นช้าขณะนั้นเธอย่อมละบันเทาธรรมะที่เป็นบาปอากุศลนั้นทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกพลันทีเดียวภิกษุตามรู้ธรรมะเครื่องประพฤติและธรรมะเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมะที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนั์จะไม่ครอบงา เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายถ้าพระราชามาอัมมาตมิตรอัมมาตญาสาวโลหิตก็ตามพึงปวารณาภิกษุผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดียิ่งด้วยภพกัษตร์ทั้งหลายว่ามาเถิดพระกุณเจ้าผู้เจริญภากาสาวพัดเหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนมิใช่หรือ ท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเธอเชิญท่านกลับมาเป็นข้ารือหัดใช้สอยพกกระพั์และทาบุญเถิดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นเมื่อประพฤติอยู่อย่างนี้จะบอกคืนสิก ข, ขากลับมาเป็นข้ารือหัดเปรียบเหมือนแม่น้าคงคาที่ไหลไปทางทิศตะวันออก บ่าไปทางทิศตะวันออกหลากไปทางทิศตะวันออกถ้าหมูมหาชนพากันถือเอาจอบและตักรามาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะช่วยกันทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายหมูมหาชนนั้นพึงมีส่วนแห่งความลาบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอน ภิกษุทั้งหลายอุปมานี้แม้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นเหมือนกันหากมีใครก็ตามกล่าวเชิญชวนด้วยโภกทรัพย์จํานวนมากให้กลับไปเป็นเครือหัดเพื่อใช้สอยโพกษทรัพย์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นเมื่อประพฤติอย่างนี้จะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นเครือหัดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จิตนั้นที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้วจักเวียนมาเพื่อเป็นเครื่อหัด